ต่อจากที่ไปเป็นรายการสากัญชาสองธรรมมาตรเรื่องขอประกาศมรรคผลนิพพานโดยพ่อท่านสมณะผูธิรักและสมณะเพาะพุทธจันทเสตโธจากพุทธสถานสันติอโศกออกสถานีโทรทัศน์ช่องพิเศษไทยทีวีสอง ประจำวันที่13พฤศจิกายน2548ขอเชิญท่านติตานฟังได้นบัตรนี้พุทโธธรรมโมสังโฆกราบน้ำส ก, การพ่อท่านด้วยความเคารพครับเจริญธรรมญาติโยมผู้มีใจใฝ่พระนิพพานทุกชีวิต วันนี้เรานำเสนอประเด็นพุทธที่ไปนิพพานอีกเช่นเคยในคราวก่อนๆได้นำเสนอการฟังสาระแห่งธรรมะโลกุตระเกี่ยวกับเรื่องพุทธที่ไปนิพพานโดยพ่อท่านสมณะพทิรักษ์ภายใต้บรรยากาศที่ดินงามน้ำใสไม้ร่มลมพลิ้ววิวสวยรวยน้ำใจ เรามาได้มีโอกาสชมภาพทางรายการโทรทัศน์มีความรู้สึกเย็นตาเย็นใจมีบุรุษผู้หนึ่งถึงกลับไปพบป ะ, จะเจอที่สถานีวิทยุเมื่อวันก่อนบอกว่าเห็นภาพที่มีสีเขียวสดของแมกไม้นัตสันเตียโศกแล้วเนี่ยเกิดแรงโดนใจอยู่ประการหนึ่งคืงตอตนเองมีปุ๋ยชีวภาพจำนวนหลายหมื่นถุงหลายหมื่นกิโล อยาจะนำปุ๋ยมาถวายาก็จริงๆก็เป็นเรื่องเดียวกับนิพพานนั่นแหละเพราะเหตุว่าจิตของท่านผู้นั้นมีจิตคิดจะเสียสลัที่จะนำปุ๋ยชีวภาพในว่ามาสนับสนุนความเจริญเติบโตของต้นไม้ที่สันเตียศอหรือที่ไหนก็ตามเรามีบทกวีที่จะนำมาเสนอเป็นเบื้องต้นก่อนเข้าสู่ประเด็นพุทธทิปนานตรงนี้สักนิดนึง เพิ่งประพันธ์ก่อนจะเข้าสู่รายการเพียงไม่กี่นาทีเกี่ยวกับเรื่องนิพพานสูญสิ้นกิเลสเหตุร้ายสูญสิ้นเชื้อสายสุขสมสูญสิ้นเชื้อโรคโสกสมศูญสินส้นอารมณ์ชังรักมั่งมีปัญญาปาริสุ์มากมายวิมุตติหลุดหลักร่ำรวยอิสระเสรีดีนัก ถึงมัจถึงผลนิพพานนี่คือการบอกกล่าวให้พวกเราที่ไม่คุ้นชินกับคําคํานี้สําหรับท่านที่เพิ่งมาฟังเพิ่งมาชมเป็นครั้งแรกได้รู้ว่าสภาวะของพระนิพพานนั้นคือสภาวะของจิตที่สูญสิ้นจากกิเลสมีสองแบบคือสูญสิ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงเป็นนิพพานของพระอรหันต์แต่มีอีกแบบหนึ่งก็คือสูญสิ้นกิเลสในแต่ละเรื่อง เป็นนิพพานที่ว่าได้เรื่องการสังสมความเป็นอรหันต์ในแต่ละเรื่องแต่ลเรื่องนิพพานในระดับโสดาบันก็มีนิพพานในระดับสักทาคามีก็มีนิพพานในระดับอนาคามีก็มีและแม้ที่สุดนิพพานสูงสุดคือระดับอรหันต์นี่ก็เป็นสิ่งที่เราทราบกันดีอยู่แล้ว่เพราะท่านสมณพติรัก์มักจะนําพาพวกเราไปสู่การเสริมสร้างกําลังใจที่จะสะสมพระนิพพานในว่า เป็นดอกฟ้าที่หมาวัดต้องเอื้อมแม้เราจะเด็ดได้ทีละดอกทีละดอกแต่ก็ยังดีกว่าเราไม่เด็ดดอกฟ้ามาเชยชมเลยหลายคนไปเข้าใจว่าการไปถึงซึ่งพนิพพานนั้นเป็นการไปสู่ที่ยากที่ไกลที่ลำบากซึ่งเพราะท่านสมณพทิรักษ์ก็บอกว่ายากจริงไกลจริงลำบากจริงแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าเรามีความเพียรอย่างมากคอเนี่ยเราสามารถจะไปสู่พระนิพพานได้เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้าสู่รายการได้สอบถามประเด็นว่าวันนี้พาอท่านจะนำเสนอเรื่องอะไรเนพอท่านได้ให้คำตอบว่าเรื่องไหนก็ได้พูดเรื่องไหนไหนก็ไปพระนิพพานได้หมดนั่นแหละโดยท่านกล่าวภาษาบาลีจากพระตรีบิดกตอนหนึง่งว่านิพพานนางปรมังวันติพุทธาคือผู้รู้ทั้งหลายเวลาจะกล่าวอะไรจะมีอะไรก็ตามเนี่ย สามารถโน้มนำไปสู่พระนิพพานได้ทั้งหมดเลยทีเดียวอ่ะเพราะว่าคําพูดของผู้รู้หรือคําพูดของผู้ที่อยู่ในทางธรรมะนั้นจะต้องเป็นคําพูดที่โน้มน้อมไปสู่พระนิพพานสังเกตดูคนสมัยก่อนๆโ บ, บราณปูญาตายายเนี่ยก็ไม่จะมีคําพูดที่เกี่ยวเนื่องกับพระนิพพานนะนีแม้ที่สุดตอนใส่บาตรช่วงเช้าๆเวลาที่ท่านจะอธิษฐานจิต แทนที่จะทิษฐานถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแทนที่อธิษฐานให้ได้ผลสําเร็จทางกิเลสทางโลกแบบนั้นแบบนี้ท่านก็จะธิ่ฐานว่านิพพานปัจยโยโหตุแปลว่าขอให้การทําบุญครั้งนี้จงเป็นเหตุปัจจัยน้อมนําไปสู่พระนิพพานนั่นแสดงว่าโดยพื้นฐานของคนในพุทธศาสนาแต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมองพระนิพพานเนี่ยเป็นเป้าหมายสูงสุดไม่ใช่มองเพียงแค่สวรรค์เป็นเป้าหมายสูงสุด จนใหจะมองพระนิพพานทัศนคติเกี่ยวกับเรื่องนิพพานเนี่ยเป็นทัศนคติในเชิงบวกตลอดมาเนี่ยดังนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะต้องสนใจเป็นอย่างยิ่งขอขยายเลยครับผมนะขอขยายคําที่พูดทิ้งเอาไวาา้ที่ท่านจันทร์พูดเมื่อกี้นี้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าเราเข้าใจแล้วสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเหตุให้คนไปนิพพาน และการไปนิพพานหรือการไปได้นิพพานเนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิเศษสุดของคนนะเป็นสิ่งสิ่งที่วิเศษสุดของคนนิพพานไม่ใช่เรื่องที่เป็นอีกเรื่องหนึ่งของคนในโลกไม่ใช่เป็นเรื่องที่จำเป็นขอยืนยันว่าอย่างนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นที่คนในโลก จะต้องพยายามมีให้ได้ใครได้นิพพานใครได้ตั้งแต่นิพพานโสดานิพพานสกิทานิพพานอนาคารนิพพานจะถึงอรหันเมื่อกี้ท่านจันท์ยังกล่าวต่อไปยังไม่จบยังมีนิพพานที่เรียกว่าปรินิพพานซึ่งเป็นการนิพพานรอบเป็นการนิพพานอย่าง ไม่มีอีกแล้วถ้าถึงปรินิพานแล้วก็ไม่มีแล้วจบเกินกว่านั้นไปไม่มีเป็นสุดแห่งนิพานแล้วปรินิพานเนี่ยปรินิพานเนี่ยใช้ได้กับคนสองคนคนหนึ่งก็คือพระอระหันต์พอบรรลุอรหันต์จริงแล้วก็มีสิทธิ์ท่านทำนิพานเป็นท่านทำนิพานได้แล้วคือพระอระหันต์สองก็คือพระพุทธเจ้า นะบางคนบอกว่าเอา้าพระพุทธเจ้าก็ต้องมีนิพพานก็ต้องเป็นพระอรหันต์เลยทีพระพุทธเจา้าไม่เป็นได้ไงก็ใช่แต่ว่าอารหันต์ไม่เหมือนอรหรอันต์อื่นๆข อ, อยืนยันว่อาอรหันต์ไม่เหมือนอรหรอันต์อื่นๆเพราะอารหรอันต์อื่นๆนั้นอรหันต์ไม่ถึงพระพุทธเจา้าพระพุทธเจา้นะาน่ะอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าคนอื่นๆเน่ยอรหันตสัมมาสัมพุทธสาวกอรหันต์สามัญอรหันต์ของผู้ที่เป็นสาวกเท่านั้น สวรรจ้านั้นเป็นอรหันต์ัสมาสระพุทธเจ้าเป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นอรหันต์ที่เหนือกว่อาอรหันต์ใดๆนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงต้อปรินิพานของพุทธเจ้านั้นก็อันเดียวกันกับอรหันต์ปรินิพานอารหันต์อื่นๆจะปรินิพานในหมายความว่าปรินิพานหมายความว่าพระอรหันต์องค์ใดกันแล้วแต่ที่ตายร่างกายแตกตาย เสร็จแล้วทุกอย่างจบหมดกรรมวิบากอะไรก็จบทุกอย่างไม่มีอะไรเหลือไม่มีอะไรสืบต่ออีกตัดสันตติท่านใช้ศัพท์ทางทางวิชาการว่าตัดสันตติไม่มีอะไรสืบต่อสันตติก็คือสิ่งที่ต่อต่อไปต่อไม่อีกมีอะไรจะต้องต่อไปอีกแม้ตายแล้วก็จะมีอะไรต่อไปอีกแต่พระอระหรันตุกองค์ถ้าท่านจะปรินิพาน ต้องใช้คําว่าถ้าท่านจะปรินิพานนะเพราะพระอาหารหันต์บางองค์ท่านไม่ปรินิพานนะท่านตายแล้วก็ยังไม่ยอมนิพานนะยังไม่ยอมปรินิพานแต่พระอาหารหันต์มีนิพานแล้วแต่ยังไม่ยอมปรินิพานตายแล้วท่านก็จะมาพุทธภูมิสั่งสมบุญบริญญาไปจนกว่าจะไปเป็นพ ร, ระพุทธเจ้าส่วนพระพุทธเจ้านั้นที่นี้ทุกพระองค์ปรินิพานทุกพระองค์มีคนถามว่า ก็ตายศูนย์ทำไมลราพระพุทธเจา้าก็สุดยอดสุดดีได้สิ่งที่ดีสุวิเศษแล้วก็อยู่ต่อไปสิแม่คุณเอ้ยก็สุดคุณมาเป็นโพธิสัตว์หน่อยเถอะจะรู้ว่ามันเหนื่อยขนาดไหนกว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นโพธิสัตว์มหาสัตว์อะไรไปเรื่อยๆเนี่ยโอโ้โหมันสุดจะอิ่มแสนอิ่มแลยนะที่จะเกิดวนเวียนอยู่ในโลกที่ช่วยคนก็ช่วยมานักหนาแล้วเพราะงั้นถ้าสร้างศาสนาพุทธขึ้นไว้ในโลกแล้วเนี่ย ขอให้ท่านไปในนี้พ่านไปเถอะอย่าไปดึงท่านอีกเลยหลายคนบอกว่าเขาตายทำไมนามก็ดีอ่ะเป็นปพ ร, ระพุทธเจา้าอ่ะก็สุดยอดแห่งคนแล้วเกิดมาช่วยโลกเขาอีกที่โอ้โอ้เรียกว่าไม่เห็นใจท่านมังเลยจยให้ท่านไป ส, สบายสบายหน่อยแล้วไม่ได้พอท่านใช้คำพูดว่าสุดจะอิ่มแสนอิ่มนะเแต่ก็ เราพยายามจะคิดตามว่าถ้าพูดในภาษาเราเราที่ไม่เกี่ยวกับอรหันต์ไม่เกี่ยวกับพูดที่หมดกิเลสแล้วก็อยากจะใช้คำพูดว่าสุดจะเอื่มแสนเอื่มมานะเนพราะเหตุว่าการรื้อขนสัตว์หรือการทำงานเพื่อให้คนไปสู่การลดกิเลสเนี่ยยากมากเลยทีเดียวว่ากันว่าการลดกิเลสตนเองเนี่ยยังยากอยู่แล้วอ่ะใช่การทาให้คนอื่นลดกิเลสด้วยเนี่ยเจ้าประคุณเ้ย คนเราเนี่ยจะช่วยคนอื่นทําดีแค่ทําดีเนี่ยยังไม่ใช่นิพพานนะ<ถ>ยัไนะ<ถ>งไม่ใช่ลดกิเลสนะทำดีเนี่ยยังไม่ใชลดกิเลสหรอกฝืนใจเอา เ, ออเลถล อ, อเนะนะเอากิเลสล่อยังได้เลยนะให้ทําดีเนี่ยเอากิเลสล่อแล้วกิเลสยิ่งหนาขึ้นยิ่งสมใจ ย, ยิ่งหนาขึ้นก็ยังได้นลยครับผมเพราะการทําให้คนทําดี น, นี่ยากแล้วกนะารทําให้คนได้นิพพานนะี่ยากกันไม่รู้กี่เท่าแต่ไม่เป็นไรนะ ประเดี๋ยวฟังแล้วาเราบอกว่ายากไม่รู้กี่เท่าเลยปรเดี๋ยวทอซะ ก, ก่อนโลกทุกวันนี้ต้องการนิพพานยิ่งต้องการนิพพานโลกทุกวันนี้ยิ่งต้องการนิพพานเพราะต้องการคุณลักษณะอันวิเศษของคนที่จะเป็นนิพพานถ้าคนไม่เป็นไม่มีนิพพานคนนั้นก็คือมีจิตที่มีกิเลนิพพานคืออะไรนิพพานคือกิเลน ด, ดับฟัง ส, สั้นๆแค่ น, นี้ กิเลสดับแต่จิตยังไม่ดับจิตยังไม่ดับฟังให้ดีนะอย่าสับสนนะไม่บอกว่านิพพานแปลว่าตายตายจะใช่ภา่าตายก็ใช่คือกิเลมันตายจริงๆตายไม่เกิดอีกเลยกิเลมันตายจริงๆตายใช่ตายแปลว่าตายก็ไะไนิพพานแปลว่าตายได้คือไม่ใช่ร่างกายตายถ้าอันนี้ท่าใช้ภาษาตองภาษาธรรมมาในใเลยนะว่าพระอรหันต์หรือพระคีนาศพเนี่ย ตายทางร่างกายท่านเรียกใช้ศับชัดเลยว่ากายสเพทาหลังจากการตายที่ร่างกายแตกกายสเพทาหมายกับว่าร่างกายแตกตายร่างกายที่แตกตายคือมันมันตายทางร่างกาย อ, อย่านึกว่าหลังจากร่างกายแตกตายแล้วเนี่ยหลังจากนั้นแล้วแม่พระอรหันต์หรือพระคีนาศพ ก็ไม่ใช่จะตัดสันติหรือศูนย์ไปทีเดียวอย่าไปกล่าวเพราะบางองค์ท่ายังไม่ยอมตัดปรามมารนาหลังจากการตายเมื่อร่างกายแตกตายแล้วใครไปกล่าวว่าพระอรหารต์ต้องศูนย์พินาศไม่เกิดอีกมีคำสามคำนี้ท่านใช้คำว่าอย่างนี้นะอย่าไปอย่าไปพูดใครพูดคนนั้นบาปใครพูดคนนั้นบาปแพระอรหารตตายแล้วนี่ต้องศูนย์ จะไม่พูดอย่างนั้นไม่ศูนก็เรื่องของท่านจะศูนย์ก็เรื่องของท่านเพราะฉะนั้นร่างกายแตกตายนี่ไม่ไม่แน่ว่าจะศูนย์ไม่ศูนแต่คําว่าอารหันหรือคําว่านิพพานนั้นหมายถึงว่าอารหั น, นหมายถึงผู้คนหมายถึงคนคนผู้นั้นถึงผลสุดยอดเรียกว่าอารหันตผลหรืออรหันผลที่ว่านี่คือลักษณะของผลถ้าเรียกว่านิพพานนิพพานจะแปลว่าตายก็ได้คือกิเลมันตายจริงๆ ตายแล้วไม่ฟื้นตายแล้วตายเลยนในเรว่านิพพานเพราะในคนเป็นเป็นที่เป็นพระอรหันเนี่ยท่านมีนิพพานในตัวท่านท่านยังไม่ตายจิตท่านบริสุทธิ์จากกิเลสกิเลสใดตายทัศนสดาบันกิเลสอบายตายฟังไมดีนะถ้าบอกว่าทําไมเรียกอรหันโสดาบันอรหันโสดาบันท่านบอกว่าปิดประตูอบายก็คงใจเคยได้ยินใช่ไหมปิดประตูอบายใช่ ผู้ที่ปิดประตูอาบายแล้วคือพระโสดาบันยังมีกิเลสระดับอื่นอีกอกิเลสทางกากรกิเลสทางโลกกรกรมกิเลสทางอัตตาในส่วนอื่นยังมีอยู่มันก็ทางก็ยังมีโลกมีโกรธในเ ห, เหตุเหล่านั้นอยู่พอสมควรสาหรับพระโสดาบันแต่ถ้าผู้ใดศึกษาธรรมะของพู้เจ้าแล้วจะรู้จักนิพพานจะรู้จักการปิดอาบาย อบายคือนรกอบายคือสิ่งที่ชั่วหยาบอารบายอบายคือโลกนี่แหละสังคมนี่แหละมนุษย์นี่แหละอันนี้ต้องพูดกันให้เข้าใจตายแล้วอาการทางจิตมันเป็นทุกข์เป็นอบายเป็นความเดือดร้อนมากนั่นก็คือความหมายของนรกและเป็นจริงนะแล้วก็อยู่ได้พบของจิตเองแต่จิตของคนในคนเป็นๆก็มีจิตใช่ไหมเป็นๆนี่มันก็เป็นนรกมันเป็นๆเนี่ยเดือดร้อน และเปเดือดร้อนพระพุทธเจ้าท่านแบ่งโลกไว้ชัดแล้วโลกไม่ใช่พระพุทธเจ้าแบ่งนะก่อนพระพุทธเจ้าแบ่งเขาก็แบ่งนรกสวรรค์เขาแบ่งมาก่อนแล้วพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายแยกแยะให้ชัดเป็นชั้นชๆ้ ช, ช, ช, ชโสดาบันก็นรกระดับหนึ่งดับนรกระดับหยาบนั้นเสียเรียกว่าอบายสกิทาคามีก็จะมีนรกของสกิทาคา ม, า, ามีนรกเพราะกรมนรกเพราะปฏิฆะหรือพยาบาทยังมีอยู่ มันมันขาดไปแล้วละ่ะไอสิ่งที่มันหยาบรุ่นโสดาบันถ้าบรรลุจริงจิตวิญญาณจะไม่เป็นละจะมีความโลภมีการมาราคาขนาดหยาบห ย, ยาบอย่างที่โสดาบันก็เป็นพระสกิทาคามีก็มาล้างไปเรื่อยๆไม่ให้เป็นไม่มีล้างไปเรื่อยๆ <ผม S 2> จนมันไม่เป็นผมขออนุญาตแทรกตรงนี้นิดหนึ่งนะครับพระท่านครับ ที่พระท่านพูดว่าพระโสะดาบันเนี่ยยังมีความโลภความโกรธ อ, อยู่อันนี้ดูจะสอดดูจะไม่ตรงกับที่เขาพูดกันโดยทั่วไปว่าพระโสะดาบันเนี่ยคือผู้ที่ละสักยทิฏฐิแล้วเขาก็บอกว่าสักยทิฏฐิคือหมดตัวหมดตอนนั่นนคนอธิบายธรรมะไม่ไม่ค่อยละเอียดตอนนี้นนเข้าใจธรรมะไม่ละเอียดก็พูดคลุมเรประเด็นหนึ่งซึ่งมีผู้ <c oughs> พยายามอธิบายเกี่ยวกับเรื่องความโลภและความโกรธของพระโสะดาบันว่า ความโลภความโกรธของพระโสดาบันซึ่งเป็นพระราษคลในระดับต้นๆเนี่ยมีข้อวินิจฉัยในระดับที่เข้าใจได้ง่ายดังต่อไปนี้คือหนึ่งความโกรธของพระโสดาบันนี่ยังมีความโกรธอยู่แต่จะไม่โกรธในระดับที่จะไปฆ่าสัตว์และฆ่าคนท่านมีองค์ท่านมีองค์งธรรมองค์ธรรมของพระโสดาบันนี่โดยอาศัยหลักเกณฑ์ง่ายๆคือ ศีลห้าครับผมโสดาปฏิยังฆะองค์ของความเป็นโสดาบันในข้อใดในข้อหนึ่งนะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดเลยว่าองค์คุณในความเป็นโสดาบันโสดาปฏิยังฆะเนี่ยข้อหนึ่งก็คือใช้ศีลห้าในเครื่องวัดได้พระโสดาบันจะไม่ละเมิดศีลห้านะบกพร่องได้บ้างไการละเมิดกับการบกพร่องเนี่ยมันมั น, ม, นมันต่างกันนะบกพร่องมันมีบ้างแต่โดยจริงแล้ว ใจตัวเองจะรู้สึกทันทีเลยว่าถ้าเราละเมอแล้วเราจะทําคืนคุณธรรมของพระโสดาบันนั้นจะรู้ว่าเราทําผิดเราทําบกพร่องอะไรจะมีฮีรีมีโอตตะปะจะมีการจริงๆเลยจิตจะเป็นจริงๆเลยท่านจะทําคืนนั้นอันนี้เป็นญาณของพระโสดาบันข้อหนึ่งที่ท่านเปรียบเหมือนอย่างเด็กอ่อนไปจับความร้อนแล้วรีบถกมือกลับชับ้นใดพระโสดาบันที่ไป ทำผิดก็จะร้อนใจเหมือนกลัวเหมือนเด็กไปจับความร้อนแล้วต้องรีบถมตรงนั้นเขาเรียกว่าเทวธรรมเป็นเทวธรรมฮิริโอตาปะใช่โสดาบันจะรู้สึกอย่างนั้นจนริงแล้ว<ม>จะทําคืนจะยึกแก้กลั บ, ค, บคือจะปรับตัวไม่เอาแล้วไม่ให้ทำไม่ให้เกิดอีกนี่เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบานันเพราะฉะนั้นพระโสดาบันบกพร่องได้ถ้าจะเพลอด่าสัตว์หรือไป ฆ่าสัตว์ได้แต่ท่านก็จะต้องฮีริโอตาปะแล้วถ้าจนิงๆรีบแก้ไขตัวเองไม่เอาแล้วไม่เอาดีมันบกพร่องจะมีมียานจะมีภูมิธรรมจิตจะเป็นอย่างนี้เพราะนั่นสีลหน้าหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ถ้าท่านฆ่าสัตว์ท่านจะต้องรู้สึกอย่างที่ว่าคือหมายความว่าความจงใจที่จะฆ่าโดยตรงเนี่ยจิตของพระโสดาบันไม่มีแต่ความพลั้งเผลออันนี้เป็นเรื่องทำมาได้อยู่แล้วอ่ะสองลักทรัพย์ก็เหมือนกัน คือมีความโลบอยู่แต่จะไม่ลลภถึงขนาที่ไ ป, ไป ล, ลักขโมยของคนอื่นผิดพลาดเมื่อใดก็จะทําคืนครับจะไม่นี่รังสีหข้อนี่แหละไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ผิดผัวเขามีอ<ก>ะไรยังมีกาบาราฆาอยู่ยกตัว <คน S 1> อย่างอย่างนี้ครับเพ่อท่านครับที่เป็นรู ป, ปธรรมแน่นอนพระสสดาบาลไม่มีความจงใจที่จะฆ่าสัตว์ยงกัดเนี่ยไอความคิดที่ว่าเนรร้อให้เป็นแป ง, ปงแล้วจะตบให้มันเพีย้ยเลือดสาดกระเซ็นไม่มี่มอันนี้ไม่มีในพระสสดิบาลไม่มีไม่มีเจตนาจะทําบาป มันพลาดพลั้งมีแต่แตพระโสดาบันรู้สึกตัวทำคืนแต่บางเอิญพระโสดาบันถ้ามีความรู้สึกคันๆน่ะนะย แล้วก็เกาเกาเก่ากระอ้อนแดงชานเลยอ๋อโดยที่ตัวเองไม่มีความจงใจที่จะนึกเลยจะรู้สึกว่าโอ้จะมีความจะมีสติไม่ดีนะไม่ใช่สติไม่อะไรแล้วต่อไปจะระวังจะระวังกว่านั้นความการลักขโมยความโลภที่นําไปสู่การลักขโมยไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าพลั้งเผลอหยิบกระบอกน้ํามาโดยที่เข้าใจว่าเป็นของตัวเนี่ยหรือว่าไม่ใช่ของตัวเราถือวิสาสะอะไรบางวิสาสะเงี้ยจะระวัดระวังพระโสดาบันจะไม่แม้จะยังมีราคะอยู่ แต่จะไม่มีราคากระเถือหนาดไปผิดลูกเขาเมียใครไม่ทำจะไม่ทําและโกหกก็เหมือนกันจะไม่โกหกไม่อยากโกหกแต่มันจะถูกบางปีบังคับให้โกหกอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งและถ้าจะละอายนะไม่กินเหล้าไม่ดื่มเหล้านี่ถือว่าเบื้องต้นง่ายๆของเสพติดของมึนเมาไม่ไม่รับไม่เอานะไม่มียังสบายสบายใจกินหมากออกกินหมากก็ยังไปของเสพติดอยู่ สเสพติด จ, จะรู้เลยเสพติดนี่คือจะต้องกินไม่คือ ม, มันมันาติดนะ่ะมันมันมันมันเป็นสิ่งที่มัไม่ใช่ยาไม่ใช่อาหารไม่ใช่ของที่จะให้คุณค่าอะไรกับตัวเองถึงแม้ให้คุณค่าก็รู้เหมือนกันเอาอันอื่นแทนได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นจะเรียนรู้ถ้าเป็นคุณค่าก็ตามแต่เอาอื่นแทนได้ไหมถ้าเราอาการเสพติดสิ่งนี้แล้วเนี่ยโสดาบันจะรู้ว่าการเสพการติดเนี่ยนั่นแหละคือการไม่ไปนิพพาน ครับผมโดาบันจะรู้จิตปิญญาเป็นตัวเสพตัวติจะต้องเรียนรู้เพื่อละเพื่อออกเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยังละไม่ได้ออกไม่ได้แล้วมันไม่มีคุณค่าแล้วเนี่ยหรือเอาสิ่งอื่นแทนได้สิ่งนี้มันมันมันสิ่งเสพติดแต่มันยามันของติดของใครๆก็รู้อ่ะจะท่านจะตหาทางเลิกและเลิกจนได้ถ้าเลิกไม่ได้ยังไม่เป็นโสดาบันหรอก เกณฑ์สี่ห้าเป็นเกณฑ์เบื้องต้นในการวัดตพระสดาบันพระโสดาบันนี่ไม่ใช่พูดเองรพระพุทธเจ้าสัมปัสไว้โสดาปัฏิยังฆาเนี่ยสี่ห้านี่ก็เป็นองค์ธรรมอันหนึ่งที่เป็นใช้เครื่อง เ, เครื่องวัดได้ในใจอธิบาย ล, ละเอียดแคไปอียงนี้นะในใจอาจจะอยากหนึ่งอยากฆ่าม่ใชสามัญอยากฆ่าเป็นได้พระโสดาบันเป็นได้อยากอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆ อยากได้ทรัพย์ของเขาอันไม่ใช่ของเราจิตอยากได้อยู่บ้างนิดๆหน่นอยๆหรือว่ามันมันไม่แรงหรอกมันจะไม่แรงถ้าแรงมันไม่ใช่โสดาบัณแล้วถ้าแรงเนี่ยมันก็จะอยากได้มากก็ปลดดีไม่ดีก็ละขโมยดีไม่ดีก็ละเมิดทุดจริตได้แต่โสดาบันจะไม่แรงถึงแรงก็จะไม่ละเมิดไปทําทุจริตกรรมนั้นจะต้องหาทางที่ทําได้อย่างสุจริตนี่คือโสดาบันเพราะฉะนั้นจะบอกว่าอยากได้ของที่ไม่ใช่ของเราอยากได้ จิตเป็นได้โซดาบันก็เป็นได้สกิทาก็เป็นได้อนาคาก็ยังเป็นเลยแต่ว่าเราจะไม่ทําชั่วกายกรรมจะไม่มีกายกรรมฆ่าสัตว์มจีกรรมฆ่าสัตว์กายกรรมเจรัก ร, รับม จ, กมจีกรรมรักรับอา่าอ่าผลพวงเขาเมียใครด้วยกายกรรมโดยมจีกรรมจะไม่มีจะไม่ละเมิดออกมาข้างนอกฟังแล้วอุ่นใจขึ้นเยอะเลยทีเดียวอ่าอุ่นใจตรงที่ว่า ไอ้ความเป็นพระโสดาบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่างไกลจากสอ่ยไม่ ค, คนรเราเป็นผิดพลาดนะเขาไปเข้าใจกจันผิดแลว้วพระโสดาบันไปอธิบายเป็นอหรหันเลยแล้วมันจะไปมีได้ยังไงล่ะมันเข้าใจผิดซะแล้วเนี่ยเริ่มต้นมันก็ไม่มีบมมมมเบื้องต้นท่ามกลางบั้นปลายคำนี้แหละสำคัญลึกซึ้งครับเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีบั้นปลายก็ไม่มีไปเข้าใจเอาบั้นปลายมาเป็นเบื้องต้นซึ่งยากและเป็นไปได้ยากอ้าวมันก็จบเฮแล้วสิก็เบื้องต้นยังไม่ได้ก้าวเลยคนถึงกลัวหมดเลย กัวธรรมะของพระเจ้าที่เป็นอริยะบุคคลอัตมาถึงยืนยันว่าชาวโศมนีมีอริยะบุคคลมีโสดาบันสกิทาคามีอะไรพวกนี้มีจริงๆขนาดพระบางรูปยังพูดไปเปรยมาแล้วฉันก็ยังมีความโกรธ อ, อยู่ฉันไม่ได้เป็นพระโสดาบันนี่นะนั่นคือไม่เข้าใจอะไรมีความโกรธได้หลายระดับครับผมเพราะเรื่อความโกรธในระดับของโสดาบันนั้นไม่ใช่ความโกรธของปุถุชนที่หยาบๆคล้ายๆแล้วก็มีหลักเกณฑ์ โกรธเรื่องอะไรโกรธได้เหตุปัจจัยอะไรมันต้องมีหลักเกณฑ์ต้องมีสิ่งที่เป็นตัวประกอบว่าจะโกรธนัโกรธอะไรรักอะไรมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีหลักฐานมันต้องมีอะไรไปเครื่อนประกอบที่ชัดเจนนะเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดทางธรรมของพรุทธเจ้าแล้วเนี่ยมีปัญญาทางต่างพุทธเจ้าโสดาบันขึ้นไปก็ะจะรู้ว่าไอเราจะไปชอบสิ่งตําๆอยู่เนี่ยมันไม่ควรแหละจึงจะเลิกมา เมื่อเลิกสิ่งต่าๆได้โดยสามารถปฏิบัติปรมัตทธรรมต้องใช้ศัพทิชาการศัพทิชาการของธรรมธรรมัปรม ธ, ธรรมหมายกาว่าอ่านจิตตัวเองออกจิตเจตสิกรูปนิพพานอ่านเข้าใจอาการของจิตอารมณ์ของจิตอ่านออกเรียกว่ารู้จิตรู้เวทนาอ่รู้กายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมรู้ธรรมะที่เป็นโล ก, กุตรธรรมโลกียธรรม โลกียะก็คือเสพสุขไปตามโลกโลกอยากได้อะไรมาเสพได้กามมาเสพได้เข่าคล้องมาเสพได้อะไรมาก็สมใจก็เป็นสุขแม้แต่ทาทุจริติยังสุขเลยอย่างคนที่เป็นอะไรล่ะคนที่เป็นผู้บริหารประเทศนี่เป็นต้นขออภัยในต้องยกตัวอย่างอันนี้เพราะจะทันสมัยมากผู้บริหารประเทศนี้มีช่องทางมีตําแหน่งก็โกงโกงได้มาแล้วโอ้โหชื่นใจมันโอ้โหน่าสมเพชเวทนาคนที่มิจฉาทิถีขนาดนี้ ไปทําชั่วมาโกงมาได้พันล้านงี้ชื่นใจดีใจโอ้โหดีใจมากโอ้โหได้บาปมามหาศาลอย่างเ ง, ง, ง, งี้ยยังอุตส่าวดีใจคือไม่ไ ม, ไม่ไม่รู้ศีรุษาเลยนะนะไม่รู้ถ้ารู้ว่ามันไม่ดีก็ไม่ทําใช่ไหมนี่รู้ว่ามันไม่ดีแต่ทําอยู่แล้วทําแล้วยังถามหลงเราอีกพอได้มาสมใจทําสําเร็จโกงสําเร็จพันล้านหลายพันล้านดีใจโอ้โหชื่นใจนอนไม่หลับเลยนะไปฉลองฉลองอะไรต่างนาน า, นาโอ้โหทาไมต้งได้งงเง่าขนาดนั้น โง่จริงๆเหรได้ชั่วมาตั้งเพลอเกวียนโกงมาตั้งพันสองพันล้านสามพล้านห้าพันล้านอะไรก็แล้วแต่ด้ร้อยล้านก็ตามใจมันก็ได้บาปมาตั้งเพลอเกวียนใช่ไหมฉะนั้วมันดีใจที่ตัวเองทําโง่สําเร็จแล้เป็นโง่ที่สําเร็จแล้วเป็นบาปที่สําเร็จเป็นชั่วที่สําเร็จแล้วนะมีตัวอย่างจริงนิดหนึ่งเพราะท่านครับเมื่อวานนี้ผมอ่านหนังสือพิมพ์มีบริษัทน้ํามันบริษัทหนึ่งนะฮะแจงตัวเลขกําไรว่าในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ย ตนเองสา ม, มารถบริหารบริษัทจนได้กําไร 2.4 หมื่นล้านอ๋อแล้วก็บอกว่าได้รับ่าก 2.4 หมื่นล้านและขณะเดียวกันก็มีคําถามว่าเอ๊ะแล้วที่น้ํามันมันแพงเนี่ยในขณะที่บริษัทของคุณเนี่ย<อ>บริหารกําไรได้ 2.4 หมื่นล้านเนี่ยคือเป็นการสะพัดน้ํามันอยู่ในบริหารน้ํามันอยู่ในประเทศนี้แหละฮะอ่าก็เลยมีคําถามว่า 2.4 หมื่นล้านเนี่ย มันคือส่วนแพงที่ประชาชนต้องจ่ายเนี่ยใช่แน่นอนเกี่ยวกันแน่นอนครับและนี้ความภาคภูมิใจของผู้บริหารบริษัทซึ่งเดิมทีก็เป็นรัฐพิษาหกิจแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ไปแบ่งแจกจกันอ่าไปแบ่งแจกได้ยินว่าแม้กระทั่งผู้กรรมการผู้จัดการเนี่ยได้เงินเดือนหลายแสนบาทไม่ใช่แสนเป็นล้านเป็นล้านแหละครับงั้นก็หลายแสนบาทอนะนะเป็นล้านเขาคือความโลภของคนที่ไม่รู้จักความโลภวิธีคิด การคิดอย่างทุนนิยมคิดกำไรอาตมาประกาศอาตมาบอกแล้วว่ามันเป็นบาปเป็นเรื่องของบาปการเอากำไรอย่างทุนนิยมวิธีคิดอย่างทุนนิยมนี่บาปกำไรบาปนึงก็บาปบาปนึงกำไรห้าบาทก็บาปหบาทพูดอย่างนี้แหละไม่เกรงใจใครอ่ะเพราะมันเป็นบาปจริงๆแต่คนที่ยังทําบาปอยู่ก็เพราะเขาเลี่ยงไม่ออกก็ไม่เรื่องของเขาเขาก็บาปอยู่อย่างงั้นแหละ พระพุทธเจ้าทตรัสว่านี่ท่าตัดตั้ง 2,000 กว่าปีมาแล้วนะคนเกิดมาเป็นคนแล้วเนี่ยตายแล้วจะไปสวรรค์นั้นน้อยนักหรือมันเกิดมาเป็นคนอีกนั้นน้อยนักส่วนมากตกนรกเพราะมันบาปมั้มีปรากฏในนักสิทธิศาสตรเล่มที่16อ้าวนลังนี่รู้ว่าเล่มที่อะไรเลยครับเนี่ยท่านตรัสไว้อย่างนั้นจะชัดเลยนั่นตั้ง 2,500 กว่าปีวิธีคิดเอาเปรียบเนี่ยคือวิธีคิดอย่างทุนนิยมเนี่ยนะ ยังไม่เก่งยังไม่มากเหมือนทุกวันนี้ทุกวันนี้วิธีเก่งก็ทุนนิยมนี่โอ้โหชันฉลาดสุดฉลาดอันบาปมหาบาปเก่งจริงๆและเขาก็ทำบาปกันอยู่อย่างหน้าตาเฉยนะเพราะคนทุกวันนี้จึงไม่มีสิทธิ์ที่ตายแล้วนี่จะมาเกิดเป็นคนหรือไปสวรรค์ได้อีกมากกว่ามากยุคพระพุทธเจ้าก็ว่ามากแล้วยุคนี้มากๆ S <S <S ใช่คำนวนสมัยใหม่เขาต้องบอกมากๆอกที่พระท่านบอกว่าทำบาปอย่างหน้าตาเฉยนั้นน่ยมีข้อที่น่าคิดว่าหน้าตาเฉยจริงๆหรือเพราะว่าเขาออกมาแถลงตัวเล็กาาชุ่ชมชื่มโอ้โหยินดีปีน า, นาด้วยยิ้มเย้ยแจ่มใสชื่ น, น, น<ม>บาน เ, เลยตอนนี้ประเด็นที่ขนาดเฉยนี่คืยังนาดเอาเปรียบเขาเป็นแล้วยังไปทำหน้าเฉยๆนีกนะนี่เอาเปรียบไปแล้วยังมาทำเยาะเย้ยยามหยันดีอกดีใจอีกเกี่ทำฉลองฉลองอีกโอ้โหมันยิ่ง น่าน่ามากๆเลยป ร, ประเด็นที่พ่อท่านพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า <c oughs> ทำชั่วและบรรลุผลสำเร็จของความชั่วในเรื่องของผลกำไรเรื่องอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> แล้วมีความรู้สึกดีใจต่อ<ช>ผลของความชั่วนั้นนั่นคืออวิชชาแบบนี้หรือเปล่าที่เขาเรียกกัน ม, มาแต่เดาว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัวใช่เห็นกงจักเป็นดอกบัวเป็นอวิชชาเป็นความไม่รู้ไม่รู้เลยว่าตัวเองนี่ทาอะไรทาผิดเข้าใจผิดอย่างไร ทำสิ่งที่ไม่ดีหลงเวดีไปหลงว่าโอ้โหนั่นแหละโกงจากเป็นดอกบัวไปทำบาปทำกรรมมหาศาลมากมายนึกว่าตัวเองน่าภูมิใจน่าดีใจก็ดีใจดีไม่ดีฉลองกันเอามาประกาศโฆษณาโพรธนาเพาโหยความขายขี้หน้ า, าเอามาประกาศกันอยู่ได้แต่เขาไม่รู้จริงๆนะเอาละประเดี๋ยวก็จะไปวิจารณ์เขามากเกินไปไม่ได้เข้าถึงเรื่องหลักวิชากันอกีกก็มาถึงหลักวิชาว่า ความไม่เข้าใจในธรรมะในสัจธรรมโดยเฉพาะชาวพุทธที่เป็นลูกพระพุทธเจ้ า, านี่ปฏิญญาณตนเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ถือาศาสนาพุทธแต่ไม่ได้นำพาไม่ได้ศึกษาไม่ได้เอามาปฏิบัติ ต, ตนเองเลยเนี่ยอตัเองก็ยิ่งกว่าใกล้เกิดกินด่างเนาะยิ่งกว่าบางคนเขาบอก ไม่ไม่ใกล้เกลือเนี่ยอยู่กับเกลือแต่เหยียบเกลือจนตีนด่างโอ้ต ำ, ำรวนนี้ <c oughs> น่าฟัง ไ, <c oughs> ไม่ใช่ใกล้เกลือเหยียบเกลืออยู่ด้วยนะแต่เหยียบเกลือจนตีนด่างโอ้ห <ผม S 1> นักนะสาหัส ก, กว่าใกล้เกลือกินด่างเยอะเลยนะอเอ า, เอ า, อาคนที่อาตมาอยากจะพูดทุกวันนี้นี่อาตมาบอกกรงกรงเลยใครจะหาว่าอาตมาอวดอ้างวดอุตริมนุษยธรรม ทำนอกรีบนอกรอยศาสนาพุทธอัตมาขอยอมรับโดยดุษณีที่อัตมาอยากจะพูดทุกวันนี้นี่อัตมาบอกกลองเลยใครจะหาว่าอัตมาอวดอ้างอวดอุตริมนุษยรรมทำนอกรีบนอกร้อยศาสนาพุทธอัตมาขอยอมรับโดยดุษณนะีขอยอมรับจริงๆว่าเอาเถอะจะว่าก็ว่าไปแต่มันไม่ไหวแล้ว มันต้องเปิดเผยมันต้องบอกกล่าวกันขอยืนยันว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นอากาลิโกยังเป็นธรรมะที่สามารถปฏิบัติถึงมักถึงผลได้แม่ยุคนี้คนทุกวันนี้ชาวพุทธก็ตามเป็นครูบาอาจารย์สอนศาสนาพุทธก็ตามกล่าวว่าอย่าไปหวังเลยเป็นพระอริยะมักผลของศาสนาพุทธอย่าไปหวังเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้ว ถ้าคนใดกล่าวคนนั้นก็กล่าวตูธรรมะ ค, คำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าอาการดิโกครับผมอ่ก็ย้อนแย้งธรรมพะพุทธเจ้าแล้วพะพุทธเจ้าท่านตรัสว่าตราบใดที่ผู้มีผู้ปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบอยู่คือปฏิบัติถูกธรรมะของพรุทธเจ้าเลยนะตราบนั้นโลกไม่ว่างจากพระอระหรันต์รอคุณพูดนั่นแหละเราจะหาว่าพูดเอาเองเพราะท่านครับ มีพระอยู่รูปหนึ่งซึ่งมรณภาพไปได้หลายปีแล้วท่านอธิบายคำว่าอากาลิโกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคำที่ร่วมสมัยท่านใช้คำพูดว่าใครก็ตามที่เข้าใจว่าเรื่องมรรคผลเป็นเรื่องล้าสมัยเนี่ยจงเข้าใจเมัยหมว่ามรรคผลไม่พ้นสมัยมรรคผลไม่พ้นสมัยไม่พ้นสมัยท่านนั้นคือหลวงพ่อชาสุพัทโธใครพ้นสมัยไม่ล้าสมัยอากาลิโก เป็นปฏิบัติได้ยืนยันได้ทุกยุคทุกสมัยเมื่อมีคนกล่าวแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นผู้ที่มีอิทธิพลทางาศาสนาพุทธอยู่ในเมืองไทยกล่าวกันอยู่อย่างนั้นจริงๆด้วยว่ามัดคลไม่มียามาอวดมาอ้างอวดอ้างคนนั้นประราชิกคนนั้นบาปกรรมอวดอ้างในสิ่งในส่วนในหมู่ในกลุ่มในฐานะที่ควรจะอวดอ้างหนึ่งอวดอ้างโดยไม่ใช่ว่ามีจิตลามก คือมีจิตมีกิเลสอวดอ้างเพราะว่าแม้จะอวดตัวอวดตนอวดอ้างเพราะว่าเราคนจะได้เข้าใจว่าเราเป็นพระอริยะเป็นอะไรอะไรอันนี้จิตอย่างนี้เนี่ยแน่นอนคนคนนั้นบาปถ้าผู้ใดมีจิตอย่างนี้อ้างอวดก็ประราชิกจริงสองอวดกับสังคมกลุ่มบริษัทตัวเองเนี่ยของบริษัทตัวเองไหมหนึ่งสองหมู่บริษัทควรอวดหรือไม่ควรอวดการะควรอวดหรือไม่ควรอวด อาตมาว่ากาละนี่ควรจะต้องอวดอวดนี่แปลว่าอวดหรือแปลว่าแสดงแสดงออกโชว์โชว์ออฟนะแสดงออกเนี่ยควรไหมอาตมาว่ากาละนี่มันควรอย่างยิ่งเพราะมันถูกลบลางถูกทำให้เข้าใจผิดครอบงมทางความคิดมาผิดมานานแล้วจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่อาตมาจะต้องฝืนทวนกระแส ต้องทําย้อนกับสิ่งที่เขาทามานั้นแล้วว่ามันผิดเมื่อมันไปกลบไปปิดนะไปทําให้เข้าใจผิดว่ า, าศาสนาพุทธหมดอารียธรรมหมดความเป็นมรรคผลของาศาสนาแล้วโอ้อาตมาว่าอาตมาเองยอมให้เขาตราหน้าว่าอาตมาเป็นคนเลวเป็นคนที่มาทําลายาศาสนาพุทธ เขาจะตราหน้าอัตมามาเย็บจ้ำศาสนาพุทธอะไรโดยภาษาโดยความเข้าใจของเขาจริงๆนะนะเขาเข้าใจอย่างนั้นจริงๆ้วเขาเชื่ออย่างนั้นถืออย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนัเมื่ออัตมามาทำต่างกันกับที่เขาเข้าใจเขายึดถืออยู่เขาก็ต้องว่าอัตมาก็ไม่เป็นไรเขาอัตมายอมให้เขาว่าแต่อัตมาจะพิสูจน์จะพิสูจน์ว่าไอ้ที่อัตมาเข้าใจเนี่ยมันจริงคือหนึต้องพูดให้เข้าใจกัน การบรรลุเป็นพระอริยะหรือเป็นอริยะบุคคลคือผู้ที่จะต้องรู้ว่าแล้วเราบรรลุอะไรระดับตรงไหนนิพพานคือดับดับตรงไหนดับได้จริงอย่างไรมีญาณอย่างรู้เห็นจริงๆริงไหมอัตมา ต, ต้องเอาตัวเองนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันว่าต้องมียานนั้นเรียกว่าวิชาแปดวิปัสสนาญาณมโนมยิทธิก็า อ, อธิบายกันเพี้ยไปหมด วิปัสนาญาณอธิบายเพียนมโนมยิทธิก็อธิบายเพียนอิทธิวิธิกอธิบายเพียนเมื่อมันเพียนมันก็ไม่รู้เรื่องแต่ตมาขอยืนยันว่าจะต้องอธิบายกันให้ถูกวิปัสนาคือการมีญาณเห็นวิปัสสานี่แปลว่าเห็นมันเห็นไม่ใช่เห็นอย่างด้วยตาเนื้อแต่มันเห็นในญาณข้างในเหมือนเราอ่านใจเราออกเนี่ยเราอ่านเราเห็นใจเราโอ้ใจเรากําลังร้อนใจเรากําลังเป็นอาการของความโลภ เราอ่านใจเราออกนะโอ้นี่อาการมันไม่มีหัวมีหาไม่มีตัวมีตนให้เรารู้หรอกแต่มันรู้ได้ว่ามันเป็นมันเป็นนามธรรมามันไม่มีอะไรให้ดูไม่มีสรีระไม่มีตัวตนอสริรังอนัตตาแต่อาการในจิตเรามันอ่านได้ว่าอาการนี่มันโลภมีอาการโลภมีอาการโกรธแหมตอนนี้กําลังเกิดเลยในใจเราอาการโกรธ ไม่รู้อาตมาชีพไปงนี้มันก็ไม่ได้อยู่ตรงนี้ часов, <plat form. S 2> หรอกมันอยู่ที่หัวที่แขนที่ขาที่มือที่เท้าที่ตัวไหนตัวหัวใจตรงตับตรงไตตรงปอดตรงผุงมันไม่ได้อยู่ที่ Milk, ทท Bye, i, ทไหนหรอกมันอยู่ในครูหาสยังอันนี้มันอยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นอาการของอารมณ์ใช่อาการของอารมณ์ครับผมเพราะฉะนั้นคนไหนอ่านอาการของอารมณ์อารมณ์คือเวทนาครับผมคนไหนอ่านอาการของอารมณ์ออกว่าโอ้อาการอย่างนี้นี่นะอาการของอารมณ์แล้วอารมณ์นี่คือเจตสิกคืออาการของจิต จิตมันกําลังเกิดอาการโทรสะมันเป็นอย่างเนี้ใครอ่านออกคนนั้นนมีวิปัสนาญาณมียานอ่านออกเบื้องต้นเบื้องต้นมันเห็นแล้วมันมีปัสจัปัจสีมันเห็นแล้ะเห็นด้วยญาณไม่ใช่เห็นด้วยธรรมจักรมันเป็นธรรมจักรสุไม่ใช่มังสะจา ก, กสุไม่ใช่ตาเนื้อเห็นแต่มันเห็นละมันเห็นด้วยญาณ ซึ่งมันเป็นประการแรกที่จะทําให้เราสามารถแยกจิตกับกิเลสออกจากกันได้ใช่เพราะถ้าเราไม่เห็นอาการของอารมณ์เนี่ยเราก็จะไปเข้าใจว่าอาการนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับอารมณ์ใช่แล้วมันก็มีลีลาของมันให้เรารู้มีพฤติกรรมก่<ผ>มอนมีนิมิตมีเครื่องหมายให้เรารู้ครับเรารู้เรารู้นามรูปเนี่ยรเรียกว่ารู้นามรู ป, รรรรรปผู้ใดเคยเรียนไปธรรมะมาก็จะสอนวิปัสสนาคือต้องรู้นามรูปครับผมนามรูปก็คือสิ่งที่ถูกรู้เรียกว่ารูปนามเรียกว่ายานปัญญาของเรา มันไปรู้แล้วมันเป็นนา ม, มาทำเหมือนกันเลยเรียกวันนา ม, มากายรหรือนา ม, มารูปมันเป็นรูปที่เป็นนามแม่จะพูดยังไงมันภาษามันหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นการที่เห็นกิเลสในจิตของตอนเองเนี่ยถือว่าเป็นการเห็นธรรมในเบื้องต้นใช่เบื้องต้นในพระไตรปิฎกเล่มสิบแปดข้อสองร้อห้าสิบสี่พระรุจ่าตรัสไว้สูตรมมิจฉาทิฏฐิสูตร มิจฉาทิฏฐิสูตรท่านตรัสไว้เลยคนจะพ้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยจะพ้นมิจฉาทิฏฐิอย่างไรจะพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะผู้นั้นเห็นอาการของความไม่เที่ยงของจิตเจตสิกฟังให้ดีนะความไม่เที่ยงอ น, นิจจังเห็นความไม่เที่ยงของจิตเจตสิกเพราะฉะนั้นความไม่เที่ยงนี่ก็คือเห็นอาการของจิตจิตจริงๆหรืออาการในจิตจริงๆเนี่ยแม่มัน เป็นกิเลสมันก็เป็นจิตอยู่ในจิตอันหนึ่งอันเดียวกับจิตไม่ได้แยกไปจากจิตแต่มันไม่ใช่จิตไม่ไม่รู้จะพูดยังไงมันเป็นแกาการลอมันเป็นอาคันตุกะพ ร, ระพุทธเจ้าท่าเรียกวอาคันตุกะข่ามันตายได้ครับผมยิ่งข่าตายอะไรจิตยิ่งประเสริฐไม่ใช่ว่าจิตยิ่งจะร่อยหรอำรงไม่ใช่จิตยิ่งฉลาดขึ้นจิตยิ่งมีกําลังมากขึ้นครับผมอ พราะฉะนัถ้าผู้ได้สา ม, มารถที่จะเห็นรู้ต้องมีญาณ น, นะนิ่ลิปาาัสนาญาณเห็นรู้จิตตัวเองไม่เที่ยงอ่าล่ะทิ้งเอ า, าตรงคำว่ า, าไม่เที่ยงไว้หน่อยหนึ่งคืออนิจจังผู้ได้ตามเห็นความเป็นอนิจจังในจิตเจตสิกนี้เรียกว่าปรมาสก์ ค, คือมันอยู่ในจิตไม่ใช่ไปเห็นว่าโอ้ต้นไม้นี่ไม่เทียเ่ยงมาเรื่องมันโตมาเดื่องมัแกมเดื่องมันตายอันนี้ใช่รูปวัตถุข้างนอกด้วยตาเนื้อเห็นมันได้อะไรก็ไม่เที่ยง อะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรไม่เที่ยงโลกนี้ไม่เที่ยงวัตถุไม่เที่ยงมหาพุทธรูไม่เที่ยงยังไม่ใช่ประเด็นประเด็นไม่เที่ยงต้องนามธรรมจิตเจตสิกพระพูดได้จะไปเห็นจิตมันไม่เที่ยงมันก็เดาได้โอ้จิตเราไม่เที่ยงหรืเดี๋ยวเราก็รักแล้๋ยวเราก็ช่างเอเดี๋ยวเราว่าเรารักแฟนคนนี้นักหนาประเดี๋ยวก็คลายปรเดี๋ยวก็ไม่เที่ยงมันก็เป็นได้รักกันขนาดหนักยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นคุณรู้ไหมว่าคุณรักขนาดนี้วันนี้ร้อยหนึ่ง วันคุ ณ, ค, ณคุณลักสองร้อยมันก็ไม่เที่ยงนะมันมากขึ้นมันก็ไม่เที่ยงมันน้อยลงมันก็ไม่เที่ยงแทกนิดหนึ่งครับผมไปบินาบาบะที่ซ อ, อยพึ่งบุญแม่ลูกอ่อนมาใส่บาทแล้วก็มีลูกตัวเล็กๆปอแปะปอแปะออกมาใส่บาทด้วยตีบาดตีฝาบาทผม <c oughs> ตามภาษา <c oughs> เด็กอันนะฮะผมก็แอบถามแม่ถามจริงๆเธอแม่รักลูกเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ แล้วสามีน่สักกี่เปอร์เซ็นต์เขาบอกสักเจ็ดสิบสามสิบแต่บางทีถ้ารู้สึกไม่เคยชอบสามีขึ้นมาก็กลายเป็นร้อยศูนย์ะแต่เขาบอกประมาณเจ็0สิบสามสิบรักลูกเนี่ย30เจ็ดสิบรักสามีสามสิบแต่ของสามีบางทีก็เหลือศูนย์คือนี่คือความไม่เที่ยงเป็นความไม่เที่ยงที่แท้จริงเอาละเห็นความไม่เที่ยงนี่บอกแล้วเมื่อกี้อาตมา จำกัดเงื่อนไขให้ฟังให้ชัดๆแล้วนะว่าครับจะต้องเห็นภายในจิตของเราว่ามันไม่เที่ยงทีนี้อาตมาก็มาขยายความความว่าไม่เที่ยงนี่คืออะไร <c oughs> ไม่เที่ยงก็คือมันไม่ไม่คงที่มันมากขึ้นน้อยลงก็ไม่ไ ม, ไม่เที่ยงดังนั้ น, ม, น, ม, น, น, ม, นมันไม่เท่าเดิมก็ไม่เที่ยงดังนั้นนะมันมากขึ้นเช่นกิเลมันมันไม่เท่าเดิมครับกิเลมันมากขึ้นรสชาติมันสูงขึ้น มันมากขึ้นคุณก็ติดมากขึ้นอ่ะกบไปในทางปุถุใช่ไหมกันในทางหนาทางปุตุเพระเาะฉะนั้นผู้ใดอ่านจิตตัวเองมาเห็นความไม่เที่ยงแม้คุณจะเห็นความเป็นกิเลส ข, ของตนเองมันหนาขึ้นกิเลสลาตก่อนนี่มันแรงแม่ความโกรธมันโกรธเท่านี้สมมุติว่าร้อยหน่วยแมมันไม่พอมันขึ้นอีกร้อยห้าร้อยสิบร้อยี่สิบคุณอ่านใจตัวเองเห็นอย่างนี้แหละเป็นผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิในเบื้อง ต้นแม้จะมากขึ้นใช่ไมมากขึ้นก็ตามแต่เพือรู้นี่แหละคนมิฉาจิทธิของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกข้อสองรอห้าสิบสี่ีพระไตรปิฎกเด้ม1สิแปดนี่แหละนั่นแปลว่าจริงๆแล้วพุทธศาสนาเนี่ยไม่ใช่เป็นศาสนาที่ปฏิเสธการเข้าไปรู้ความจริงแม้ความจริงนั้นจะเป็นความจริงที่น่าเจ็บปวด เป็นความจริงที่ดูว่าโอโหแต่เดิมเรามีกิเลสสิบต่อมาเรามีกิเลสเป็นยี่สิบสามสิบนั่นแหละเพียงแค่ เ, เรารู้ว่าขนาเนี้ยกิเลสที่เรามีอยู่สิบเนี่ยมันเป็นยี่สิบสามสิบแล้วเนี่ยการเข้าไปรู้ความจริงยังถือว่าเป็นการเข้าไปสู่ความหลุดพ้นจากมิจฉาทิฐิได้ใช่เป็นระดับปรมาติเป็นระดับรู้จักจิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นระดับที่สามารถอ่านใจในใจของตนเองออกมีปฏิปักษนายานมีญาณ อันสามารถเห็นรู้แม้เป็นความไม่เที่ยงชนิดที่กิเล่มันโตก็คือรู้ว่าตัวเองเป็นปุถุชนนี่แหละเราปุถุชนอย่างนี้เองกิเลมันหนาขึ้นหนาขึ้นอย่างนี้เองปุถุชนทีนี้คนที่ได้เรียนรู้ธรรมมาแล้วก็จะบาเรียนรู้วิธีลดไม่เที่ยงแต่แทนที่จะเป็นไปเพื่อกิเลห น, นาขึ้นหนาขึ้นอ้วนขึ้นโตขึ้ น, ยย น, น, นใหญ่ขึ้นปุถุนี่แปลว่าอ้วนแปลว่าใหญ่แปลว่าหนาแปลว่าโตครับเราก็ทํา ให้กิเลสเรลดลงลดลงเรียกว่าวิราคาจางคลายลดลงน้อยลงสามารถทำให้กิเลสมันร้อยหนึ่งเลือเก้าสิบเก้าเรือเก้าสิบแปดเือเก้าสิบเือแปดสิบได้เห็นมันลดน้อยลงก็เรียกว่าวิราคาุก ป, ปัสสีเห็นความปัดสีรหรือปัตสนา น, ตานี่แหละแปลว่าตามเห็นอ น, นุปแปล ว, ว่าตาม อนุปัสสีตามเห็นความจางคลายมีญาณมีวิปั ส, สนาญาณมีวิชาของพระพุทธเจ้านี่สอนเห็นมันผู้ใดทําให้มันลดได้คนนั้นก็รู้แล้วลดได้นิดหนึ่งก็เป็นอริยะนิดหนึ่งลดได้นานหน่อยก็เป็นอริยานานหน่อยลดได้แวบเดียวก็เป็นอริยะแวบเดียวถ้าคุณมีญาณรู้แจ้งเห็นจริงและก็ปฏิบัติจริงอย่างนี้แหละคุณกําลังเดินทางเข้าสู่ความเป็นพระอริยะเพราะมีดวงตาแห่งธรรมมีธรรมจักสุก แล้วก็รู้ความจริงตามความเป็นจริงที่เป็นนามธรรมที่เป็นปรมาทิตย์ของคุณเองของใครก็แล้วแต่สามารถปฏิบัติให้ใจเราลดกิเลสอย่างนี้ได้เห็นหลัดเลยอ๋อผู้โหโมกี้นี่มันขึ้นเลยนะกิเลสโลภะกิเลสลดลงได้ทําให้ลดได้คุณอ่านใจออกเห็นของจริงนั่นแหละปัจจตังเวทิตโพวินยูหิมีวิปัสสนาญาหรือมีวิ ช, ชาผู้สามารถทําให้กิเลสลดได้อย่างนี้ท่านเรียกว่ามโนมยิทธิ เป็นผู้มีอำนาจทางจิตชาข้อที่สองเป็นผู้มีอำนาจทางจิตแต่เขาก็เอาไปอธิบายเป็นอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหารา์ซึ่งผิดนี่เป็นอนุสาสนีปาฏิหาร์<ม>นี่เป็นปาฏิหาร์ทากรรสอนกูเจ้าทำให้สอนให้ลดโลภโกรธหงให้ลดกิเลสลดเหตุแห่งทุกข์นี่เป็นอริยสัจอริยสัจีโดยทั่วไปเข้าใจว่ามาโนมยิทธิคือการสามารถรู้ใจคนอื่น เจตปริยานรใจคนอื่นมโนยิจินมีฤทธังใจมีฤทธังใจครับคือทั้งทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจโตปริยาน ม, ม, มโนมยิทธิอิทธิวิธีส่วนใหญ่จะไปเข้าใจว่าไปรู้หรือไปปฏิบัติกับภายนอกอแต่ในทางพุทธเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจโตปริยานมโนมยิทธิอิทธิวิธีเนี่ยล้วนแต่เข้าหาจิต ข, าาจของตอนเองทั้งสินงส้นเอง รเรียนรู้ของใจของตอนเองเรียนรู้เป็นญาณเป็นวิชาที่รู้ใจของตอนเองมีวิปัสนาญาณก็รู้ว่าเรามีวิปัสนาญาณแล้วน ะ, ะมีอิทธิมีมโนมยิทธิสามารถมีฤทธิอิทธินี่คือฤทธิภาษาบาลีว่าอิทธิภาษาบาลีภาษาสันสกฤตว่าฤทธิมีฤทธิทำทางใจทําให้สําเร็จทางใจคือคใจเราลดกิเลสได้นะนั่นเรียกเลย ว, ว่ามีมโนมยิทธิ อิทธิวิธีก็คือฤทธิ์อีกแหละมีวิธีที่จะทำให้ฤทธิ์มโนโมิจินี่แหละเกิดได้นาน า, นาสารพัดหลายวิธีจนเก่งจนเปลี่ยบประดุจคนเหาะเหินได้ดำดินได้ เดินบนน้ําได้ประหลาดปลาดมันคือมันไม่ใช่ง่ายนะมันทําได้นเหมือนคนที่วิเศษคนเก่งสามารถเท่ากับคนเดินบนน้ําเท่ากับคนดําบินได้เท่ากับคนเหาะลอยได้เหมือนยังกับนกบินไปรูปคําพระอาทิตย์รูปคําพระอาทิตย์พระอาทิตย์ก็คือกิเลสนะกิเลสต่างๆนานาอย่างในสังคมเนี่ยมันมีกิเลสโอ้โหกิเลสของสังคมเนี่ยยิ่งกว่าพระอาทิตย์แต่ผู้บรรลุแล้วเนี่ยอย่างสมมติกิเลสอบายามุกเนี่ยอบายามุกทุกวันนี้เนี่ยแตะไม่ค่อยได้เลยนะ นี่อาตมาไปว่าเนี่ยเขาพนันบอลติดบอลวงเนี้ยแตะไม่ได้เราโ hor ้อนนะเขาจะแตะเอานะมันจะไหม้เอาอ่ะนั่นแหละคือเขามันจะไหม้ไหม้เลยนะใครไปแตะเขาไหม้เลยนะตอนนี้หนักหนาสาการถึงหนาที่เริ่มมวยเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่มวยผู้ชายกับต่อยกับผู้ชายผู้หญงนะยังเป็นมวยหญิงมวยเด็กใช่ไปหมดเลยเดี๋ยวเนี้คือจะบ้านเลือดไปอีกเขาไม่ดูนรกเขาก็วิ่งสู่นรกกันไปเรื่อยๆอาตมาก็พูดไปงี้แหละ เขาฟังก็ฟังไม่ฟังกันแล้วก็ฟังเขาจะด่าต่อมากขาด่าแล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ฟังเขาด่าใครเขาด่าเพราะก็ฟังเพราะใครเขาด่าหยาบก็ฟังหยาบใครเขาด่าแรงก็ฟังแรงใครเขา่าด่าเบาก็ฟังเบาเขาไปเรื่อยๆเราฟังเอามาพิจารณาเนื้อหาไปเรื่อยๆอะไรประเด็นมันจะยาวอธิบายตัวปรามัดอธิบายตัวลักษณะนี้ให้ฟังแล้วเนี่ยจะเป็นประโยชน์แล้วเราก็จะมีการปฏิบัติที่รู้แจ้งเห็นจริงไม่ใช่ไม่ใคยหลอกใคร คุณปฏิบัติเองคุณรู้แจ้งของคุณเองเห็นอของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณอ่านใจของคุณออกว่าโอ้นี่เองเนาะเป็นพลเราพ้นมิจฉาทิฐิแล้วก็คือเราสามารถอ่านใจเราเป็น พอสูตรที่สองเนี่ยข้อสองรห้าสิบห้าต่อไปในปฏิบัติของเล่มเดียวกันเนี่ยมันสามข้อต่อกับมิจฉาทิฐิสูตรสากรายทิฏฐิสูตรแล้วก็อัตตานุทิฏฐิสูต ร, รสมสูตรนี้เรียกจะเป็นเรื่องอนิจจงทุกขังอนัตต า, าสูตรมิจฉาทิฏฐิสูตรนี่ก็คือผู้นั้นเห็นความเป็นอนิจจงครับผมข้อข้อที่สองสากายยทิฏฐิสูตรนี่ผู้นั้นเห็นความเป็นทุกข์ครับผมข้อที่สามผู้นั้นเห็นความเป็นอนัตตาครับสามสูตรเนี่ยเป็นสูตรหลักเลยวัะถ้าใครปฏิบัติเห็นออิจจังงย่าาี้้้แแลลววเขใ ก็มารู้ว่าไอ้อันนี้จังกิเลตโตกิเลตโตนะทุกครับถ้าทําให้กิเลตโตไปเรื่อยๆควรก็ทุกไปหนักขึ้นไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นควรมาเรียนรู้วิธีลดทุกตามหาเหตุก็คือราคาโทสะโมหะนั่นแหละลดมันสิเพราะจับตัวกิเลตตัวไหนได้ตัวนั้นเรียกว่าตัวตนของสักกายะ ฝันการพุกของมันอย่างชัดเจนมียานเห็นตัวสักกายาตัวนี้รู้แล้วตัวการอาตมาแปลสกกายาว่าตัวการนี่เองตัวการของข้าถ้าเอาศัพ์สํานวนท่านพุทธทาสก็นี่เองตัวตัวการของกูมันเป็นตัวการในตัวเราเองนี่แหละมันไปหลงอะไรในเรื่องต่ำต่ำหยับหยับมันไปชอบฆ่าสัตว์มันไปชอบรักทรัพย์มันไปแหมมันฆ่าสัตว์ไม่มีวัคเว้นไม่รักทรัพย์หรือเอาโกงเขาเอาเปรียบเขาโกงเขา ช่อชนเข้าอะไรก็แล้วแต่มันเว้นไม่เว้นเห็นก็เห็นคนอื่นเป็นนอกจากผัวจากเมียเราก็ไม่ละเว้นอะไรเนี่ยมันต้องอ่านใจตนอ่านเห็นมันเมื่อไรกำราบมันเมื่อนั้นอย่าให้กิเลสมันโตขึ้นนั่นแหละสักกายะของเราแล้วเราก็รู้เหตุแห่งสักกายะเหตุแห่งทุกข์แห่งตัวที่จะไปทําให้มันเป็นปุถุชนที่หนาโดยกิเลสขึ้นไปเรื่อยๆจับมันเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งทุกข์ไม่ใช่สุขหรอก สุกน่นเป็นตัวหลอกไปขโมอยเงินเขาได้ไปฆ่าสัตว์แล้วก็ไปชื่นใจโอ้โหเอาปืนไปล่าไปยิงมันในป่าในอะไรต่ตตตตางๆนะจะจะไม่เหลือแล้วเดี๋ยวเนี้แล้วมันนั่งทําเป็นว่าจะสงวนอจะสงวนอจะหาวิธีที่จะต่อเผาต่อพันออะไรอมันปลายเหตุจนจะแย่อยู่แล้วไอ้เพูดไปว่าเขาก็อย่างงั้นนะคนก็ทํามันไม่ฟังหรอกไอ้คนที่ฟังนี่นก็คงจะไม่ใช่คนที่ไปทําเท่าไหร่หรือทําแล้วสํานึกผิด ก็มาแก้ไขตัวเองปรับปรุงตัวเองการเห็นสักกายะ ด, ๆๆดังที่ว่าเนี้เป็นประเด็นสืบเนื่องมาจากการเห็นอนิจจังใช่ใช่คือหมายความว่ามาสืบเนื่องมาจากการเกิดปัญญายาณที่มีปรมตถธรมรมมันเห็นต่อเนื่องกันไปเลยว่าเราเห็นว่าอาการของอารมณ์เนี่ยจริงๆมันไม่เที่ยงมันจะมากขึ้นก็นได้มันจะน้อยลงก็ได้แต่ในทางธรรมะจะต้องพยายามให้มันน้อยลงลองลดละไหนโดยถ้าแม้ว่าเห็นมันมากขึ้นจะต้องเห็นให้ได้ว่า<ต> อารมณ์อาการของกิเลสที่มันมากขึ้นเนี่ยจริงๆมันเป็นทุกข์มันซวยการเห็นทุกข์จริงๆในอารมณ์นี่แหละคือการเห็นสักกายะหรออือจริงๆก็คือเห็นทุกขังเห็นทุกข์ขังเห่งเหตุ <S <S แห่งทุกข์ครับผมสักกายะนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นตัวทุกข์แท้ๆครับเพราะฉะนั้นเราเห็นอาการของจิตที่มันเกิดราคะหรือเกิดโทสะในใจของเราครับมันเป็นตัวจริงเลยนะเป็นตัวสมุทัย เพราะฉนั้นเป็นตัวเหตแห่งสกายาแห่งตัวตนเนี่ยตัวตนก็คือตัวกิเลสตัวนั้นแหละตัวตนตัวนั้นแหละทําให้มันเล็กลงน้อยลงมันไม่เที่ยงก็เพราะว่าให้มันจางคลายลงจนมันดับครับผมถ้าดับก็ถึงขั้นนิโรธเลยไม่ใช่นี่ไม่ใช่วิราคาโนปัสสีแล้วตอนนี้นิโรธานุปัสสีเลยถึงซึ่งอนัตตาซึ่งใช่ข้อสุดดูจะเป็นสองห้าหกใช่ไหมครับใช่ดับตัวตนของมันครับไม่มีตัวตนของมัน ตัวตนของตัวที่เราเห็นมันแต่ก่อนนี้ล่ะมันเป็นสกายะมันเป็นอัตตาอัตตาก็แปลว่าตัวตนสักกายะก็แปลว่าตัวตนอาสวะก็แปลว่าตัวตนสกายะในตัวการตัวนั้นน่ยจับมันได้ก่อนนั่นแหะคือตัวที่คุณมีญาญปัญญาอ่ามีตัวญาญปัญญาจับมันได้แล้วครับผมทำมันไปเรื่อยๆลดไปลดไปมันก็จะน้อยลงน้อยลงเป็นอัตตาที่เล็กลงคําว่าอัตตาเนี่ยเป็นคำกลางๆเรียกตัวตนทั่วไปคสักกายะคือตัวคําว่าตัวตนที่เฉพาะที่เรามีญาญเห็นได้ มันเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งเหลือขั้นน้อยลงก็เรียกว่าอาสวะครับจนล้างสิ้นอาสวะตัวตนสุดท้ายหมดจบไม่มีตัวตนนั่นคืออนัตตาครับนั่นคืออนัตตาเพราะนั้นคําว่าอนัตตาไม่ใช่เพียงแค่หมดอัตตาแต่ต้องหมดไปถึงอาสวะใช่หมดไปถึงอาสวะคืออัตตาอย่างหนึ่งเรียกว่าสกายะอาตาัตราภาษาอัตตาเป็นคํากลางๆเป็นคำบรรณาเป็น ภาษากลางไงเป็นสามาัญ น, นามใช่ครับส่วนส ก, กายะกับอาสวะเนี่ยเป็นวิสามาัญ น, นามครับผมเป็นพระพุนาวเป็นตัวที่เป็นตัวที่เราจําเพาะลงไปว่าตัวแสดงบท บ, บาทเลเดยรเราจับมันได้แล้ว ม, มันหยาบใหญ่ยอยู่ก็เรียกสกายะพอลดลงลดลงลดลงลงมันก็จะเป็นอัตราลดลงลดลงจนกระทั่งถึงอาสวะก็เป็นอัตราน้อยๆหรืออัตราสุดท้ายอัตรานัวนนั่นก็แปลว่าจริงๆจริงๆสกายะนี่ก็เป็นอัตราอาสวะก็เป็นอัตรา ใช่แต่ว่าขนาดของอัตราเนี่ยมันต่างกันสกายะก็เรียกในความหมายหนึ่งอาสวะก็เรียกในความหมายการทำให้กิเลสที่เป็นสกายะเนี่ยมันลดลงลดลงลดลงลดลงก็คืออัตราลดลงลงจนถึงขนาดในขนาระดับน้อยระดับบางระดับยากระดับสุดท้ายก็ถือว่าเป็นระดับอย่างสกายะนี่ยังสกายะก็ถือว่าเป็นอัตราขณะบรรจุกล่องบรรจุ กับบรรจุปีปนะฮะแต่ส่วนอย่างยักษ์อย่างใหญ่อย่างยักษ์แต่อสวะเนี่ยเป็นอัตราขนาดบรรจุสองเล็กๆทลุลทรุ่ยละองทุลีละ อ, องทุลออทีใช่ไหมกันอย่างบรรจุสองละ อ, องทุลีนี่ค<พ>ืออย่างอสวรเพราหมดซึ่งอสาาวรรคก็ถือว่าหมดอัตราไปโดยปริยายสนิทเลยเกลี้ยงแล้วก็ต้องทําแล้วทำเล่าปฏินิสักะเรียกว่าทวนทำกลับไปกลับมา ปฏินิสขานุปัตสีคล้ า, ายๆชาภาพช้าสโลโมชั่นทํำนองนี้ใช่ไหมครับช้าหรือเร็วคุณทําให้รู้ว่าสิ่งนี้คุณทวนทําจนกระทั่งมันแน่ใจจนกระทั่งมันมั่นใจจนกระทั่งเป็นสมาธิหรือสมาหิตะเป็นการตั้งมั่นของจิต ท, ที่แข็งแรงว่าเราสามารถฆ่ากิเลสตัวนี้ได้อย่างเด็ดขาดแน่นอนไม่มีฟื้นอีกเป็นทุกวังสัตสตังอวิปริณามธรมะเงสังเฮระเงสังกุ ป, ปัง คือตายอย่างที่เรียกว่ามั่นใจเลยว่ามันไม่มีการเกิดอีกเป็นเด็ดขาดรู้ด้วยตนเองเลยว่าเป็นกตไยานได้แล้วได้เลยใช่ได้แล้วได้เลยเป็นยานที่ตรวจสอบอริยสัจสี่มีปริวัติสิบสองมีสิ่งที่จริงอันนี้เป็นสัจจยานมีกิจที่เราได้กระทําเพื่อลดละมันแล้วมีผลสุดท้ายเป็นกตไยานยานที่เห็นชัดเจนว่ามันแล้วแล้วจบแล้วเลิกแล้วไม่ต้องทํามันก็เป็นเองเป็นตัทตา เป็นเช่นนั้นเองเลยอัตโนมัติเลยไม่ต้องไปล้างมันอีกไม่ต้องไปทํามันอีกไม่ต้องไปอะไรมันอีกกิเลสตัวนี้เรื่องนี้อย่างนี้มันมาถูกเราเนี่ยมันตกพลอยมันหายไปเราไม่ต้องไปทําอะไรมันมันตายของมันเองเลยริดของเราเต็มที่เลยกิเลสนี้มันแพ้ริดเราอย่างสมบูรณ์แบบเลยไม่ต้องเคร่งคุมไม่ต้องเคร่งคุมไม่ต้องสังวรไม่ต้องระวังไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปมีวิตกวิจารณไม่ต้องไปมีอะไร อุเบกขาจนมันเถยจนมันอุเบกขาตรวจสอบแล้วปฏิบัติแล้วปฏิบัติอีกมีอาเซวนามีภาวนามีพระพุลธกามังจนแข็งแรงตั้งมัน่นสมบูรณ์เป็นสมาหิตังเป็นบิมุตติมีญานวิบวิชามีเจโตปริยาณที่จะอ่านจิตตัวนี้ซึ่งจะเป็นอนุตรจิตเพราะมันมีสมาหิตังมันเป็นบิมุตไม่มีเศษแห่งอะสมาหิตัง ไม่มีเศษแห่งอะวิมุตตอีกแล้วนี่คือสมบูรณ์แบบในเจตโตปริยานสิบหที่ท่านใช้ตรวจสอบกิเลสของเราเท่าที่ฟังจากคำอธิบายของพ่อท่านมาเนี่ยทำให้ได้เข้าใจจริงๆก็เข้าใจมาอยู่ก่อนแล้วแต่เข้าใจชัดเจนขึ้นในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามหลักมรกองแปดที่พ่อท่านนำพาอยู่เป็นประจำนนะในส่วนของการปฏิบัติแบบมรตองแปดเนี่ยผู้ที่มีความแววัยในการอ่านจิต อ่านอารมณ์อา่อานอาการของอารมณ์อย่างชัดเจนนะ น, น, น, นียไม่ว่าจะเป็นอ่านอนิจจังทุกขังอนัตตาในจิตตามที่มีปรากฏในพระธวิดชาเล่มที่สิบปดข้อสองร้อยห้าสิี่ห้าสิบห้าหสิบกเนี่ยใช่สามสูตรตอบจริงๆถือว่าเป็นหัวใจของการไปฏิบัติตามหลักมรรคองแปดเล ย, เลยนี่แหละไตรลักษณ์ครับนี่แหละไตรลักษณ์ไปอธิบายเรื่องไตรลักษณ์กันโดยตักกะโอ้ทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกทุกอย่างไม่มีตัวตนเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป อะไรอะไรพวกเขาเที่ยงใช่ใครก็ตักกะใครก็เข้าใจเหตุผลคใครก็เข้าใจความหมายนี้และก็ประเมินตามอนุมานตามคิดตามคณีคํานวณเอาตามได้ครับแต่มันไม่รู้แจ้งเห็นจริงมันไม่รู้ว่าอะไรเราไม่เที่ยงครับไม่เที่ยงอย่างไรไม่เที่ยงหนาขึ้นหรือไม่เที่ยงจางคายลงครับไม่เที่ยงอย่างไร อสักกายะตัวไหนมันไม่ได้จับทุกขตัวเหตุแห่งทุกพอจับได้ล้างได้ลดได้จนมันไม่มีเหตุทุกไม่มีตัวตนของทุกอนัตตาได้นี่คือไตรลักษณ์ปรมาจิตไตรลักษณ์ที่<ม>แท้จริงผมฟังคําอธิบายของพ่อท่านแล้วก็นึกถึงตามว่าถ้าใครอยู่กับจิตอ่านอารมณ์อาการของจิตอย่างต่อเนื่องแบบนี้เนี่ยคงจะไม่มีเวลาที่จะไปทะเลาะกับคนอื่นไม่ใช่มันมันจะต้องฝึกฝึกไปแล้วมันจะค่อยๆเข้าใจเองแล้วอ่านได้ ในขณะที่เกิดปัจจุบันนี้อ่านได้บ้างไม่ได้บ้างถ้ามันมีปัญญายาณมันมีวิชารู้แล้วมันจะอ่านออกหลงหล่ลนมั่งตกมั่งในขณะที่ยังไม่เก่งพอเก่งขึ้นก็จะรู้ได้มากขึ้นมากขึ้นแม้ได้มากขึ้นมันเกิดร้อยคนสาคุณสามารถรู้มันได้ตั้งเก้าสิบครับผมก็พอครับสอบได้ครับสอบไ ด, บได้คุณรู้จิเตเจตสิก ข, ของคุณโอโหกิเลสมันแล้วก็ทําลายกิเลสหรือกับจัดกิเลสด้วยตัวเราเองคุณก็รู้ผลในการปฏิบัติได้ตั้ง มันร้อนึงคุณก็รู้ได้ตั้งเกเนี่ยได้เกรดเอ <A. S 2> <ล>เกรดเอยู่แล้วสิ่งที่อยู่กับพ่อท่านมาแล้วมักจะได้รับแนวในการปฏิบัติเช่นนี้จนกระทั่งนําไปสู่การปฏิบัติอยู่สเสมอได้บางไม่ได้บ้างแต่รู้สึกได้ผลก็คือการอยู่กับจิตตนเองการเห็นจิตของตอนเองการอ่านจิตของตอนเองการรู้อารมณ์อาการอาการของอารมณ์ที่เป็นทุกข์อันเกิดจากการที่กิเลสเข้ามาเครือบแฝงจิต เพราท่านจะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเคยมีคนถามเพราะท่านครับเวลาเกิดความโกรธเนี่ยจะจัดการกับความโกรธในจิตจะจัดการกับความโกรธอย่างไรเพราะท่านก็นจะตอบว่าจงอ่านให้ได้ว่าอารมณ์โกรธหรืออาการโกรธนั้มันเป็นทุกข์นี่คือคําตอบของพ่ะท่านอ่านให้ได้ว่ามันเป็นทุกข์เพราะถ้าเรารู้ว่าจริงๆถ้ามันเป็นทุกข์อย่างชัดเจนแล้วเนี่ยเราจะไม่ปล่อยให้อารมณ์นั้นต่อเนื่องยาวนานในจิตแต่คนที่ยังปล่อยให้อารมณ์โกรธ จริงๆก็คงจะหมายถึงอารมณ์อื่นด้วยอารมณ์กามหรืออารมณ์ อ, อะไร อ, อะไรก็แล้วแต่ยังปล่อยให้อารมณ์นั้นต่อเนื่องอยู่ในจิตเนี่ยเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้เห็นอาการทุกข์ของอารมณ์อย่างชัดเจนทํานองนี้ใช่ไหมครับใช่เพราะฉะนั้นคนที่มีญาณมีปมัญญามีความฉเฉลียวฉลาดที่สามารถเข้าใจตนเองได้ว่าเห็นอาการราคะหรือโลภเห็นอาการโทสะถ้าอาการพวกนี้เนี่ยเออมันมันเป็นเหตุที่ไปก่อทุกข์นะาถ้ากดใจจริงๆแล้วเนี่ย คนนี้แหละเป็นอาริยะบุคคลเป็นผู้ที่รู้จักความจริงได้ว่าเออไอตัวนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นตัวที่ไร้กาที่จะต้องจัดการกับมันดังนั้นสิ่งที่พระท่านได้พูดมาเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะได้มีโอกาสเรียนรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาในเชิงโลกุตระตามที่มีปรากฏในพระไรรมบิดกเล่มที่18ข้อ254 255ยห้าสห้าอย่างชัดเจน การตามดูตามรู้ในอนิจจังทุกขังอนัตต า, าหลักการเพื่อตรวจสอบความเป็นพระโสดาบันแบบง่ายๆโดยอาศัยศีลห้าเป็นหลักในการตรวจสอบตามที่ท่านได้กล่าวมาเป็นเบื้องต้นทั้งหมดทั้งสิ้นนั้นคงจะทําให้เรามีกําลังใจในการสะสมหน่วยกิจแห่งความเป็นอรหันต์ไม่ว่าจะเป็นอรหันต์ในโสดาบันอรหันต์ในสกทาคามีอรหันต์ในอนาคาามีแม้ที่สุด อรหันต์สูงสดถึงขั้นถึงซึ่งความเป็นพระอรหันต์แต่อย่างไรก็ตามบางคนอาจจะบอกว่าแหมเรียนรู้เรื่องจิตเรื่องจิตเรื่องจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเข้าใจได้ยากแต่เพราะท่านก็สอนหลักการในพระบีดปกจีนมัทธยสูตรยืนยันว่าผู้ที่ปฏิบัติศีลจนเป็นกุศลเนี่ยย่อมถึงความเป็นอรหันต์ได้โดยลําดับมันจะมีลําดับลําดับลําดับเพราะนั้นถ้าใครดําเนินตามหลักการของศีล เฉพาะอย่างยิ่สิบห้าที่พระท่านกล่าวมาตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยสามารถนําไปสู่ความเป็นนิพพานหรือความเป็นพเพราะพรท่านอธิบายว่านิพพานเนี่ยจริงๆมันเป็นนิพพานเป็นสภาวะแต่อรหันเนี่ยเป็นตัวบุคคลทํำนองนี้ใช่ไหมครับใช่อรหันคือตัวบุคคลผู้เข้ า, ขาถึงซึ่งนิพพานค้ในตัวบุคคลครับแต่นิพพานก็เป็นผลนั่นแหละแต่ว่าถ้าอารหันเราถือว่าเราเรียกบุคคลครับออกได้บทกวีที่ประพัน สูญสิ้นกิเลสเหตุร้ายสูญสิ้นเชื้อสายสุขสมสูญสิ้นเชื้อโรคโสกสมสูญสิ้นอารมณ์ชังรักมั่งมีปัญญาปาริสุทธิ์มากมายวิมุติหลุดหลักร่ำรวยอิสระเสรีดีนักถึงมรรคถึงผลนิพพานพุทโธธโมสังโฆ